พระเทวทัตโคสนาวัตถุห้าประการสมัยนั้น พระเทวทัตพร้อมกับบริษัทเข้าไปยังกรุงราชครื้ใช้วัตถุห้าประการชักชวนให้ประชาชนเชื่อถือด้วยกล่าวว่าพวกเราเข้าไปเฝ้าพระสมณะโคดมทูลขอวัตถุห้าอย่างนี้ว่าพระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคตระดัชนเสริญความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความกําจัด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 ขอประธานวโรกาศดังนี้ 1. ภิกษสุทั้งหลายควรอยู่ป่าตลอดชีวิตภิษุรูปใดเข้าบ้านภิษุรูปนั้นมีโทษ 2. ภิกษสุทั้งหลายควรเที่ยวบินธบาตตลอดชีวิตภิษุิรูปใดยินดีกิจนิมนต์ภิกสุรูปนั้นมีโทษ 3. ภิกษสุทั้งหลาย ควรถือผ้าบังสุกุลตลอดชีวิตพิกษุรูปใดยินดีผ้าคหะบดีพิกษุรูปนั้นมีโทษ 4. ภิพิุทั้งหลายควรอยู่โคนไม้ตลอดชีวิตพิกษุรูปใดอาศัยที่มุงที่บังพิกษุรูปนั้นมีโทษ 5. ภิพิุทั้งหลายไม่ควรฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิต ภิกษุรูปใดฉันปลาและเนื้อภิกษุรูปนั้นมีโทษแต่พระสมณโคดมไม่ทรงอนุญาตวัตถุห้าประการเหล่านั้นพวกเราจงสมาทานประพฤติตามวัตถุห้าประการเหล่านี้เถิดบรรดาประชาชนเหล่านั้นพวกที่ไม่ศรัทธาไม่เลื่อมใสมีความรู้ไม่ดีกล่าวว่า พระสมณะเชื้อสายสากยบุตรเหล่านี้ประพฤติกรรมจัดกิเลสประพฤติเคร่งครัดส่วนพระสมณะโคดมมกักมากดำริเพื่อความมากักมากส่วนพวกมีศรัทธาเลื่อมใสเป็นบัณฑิตฉเฉลียวฉลาดมีความรู้ดีก็ตำหนิประนามโพรทนาว่าฉะไหนพระเทวทัต จึงเพียรพยายามเพื่อทำลายสงเพื่อทำลายจักของพระผู้มีพระภาคเล่าภิกษุทั้งหลายได้ยินคนทั้งหลายตำหนิประนามโพนธนาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษจึงพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะไหนพระเทวทัตจึงเพียรพยายามเพื่อทําลายสง์เพื่อทําลายจักรเล่าครั้งนั้นแล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 พระผู้มีพระภาคทรงตำหนิว่าอย่าเลยเทวทัตเธออย่าพอใจการทำลายสงเพราะการทำลายสงมีโทษหนักผู้ใดทำลายสงที่พร้อมเพรียงกันผู้นั้นจะประสบโทษนานตลอดกับถูกไฟไหม้ในนรกนานตลอดกับส่วนผู้ใด ทำสงผู้แตกกันแล้วให้พร้อมเพียงกันย่อมประสบบุญนานประเสริฐย่อมบันเทิงในสวรรค์ตลอดกับย่าเลยเทวทัตเธออย่าชอบใจการทําลายสงเพราะการทําลายสงมีโทษหนักต่อมาเวลาเช้าท่านพระอ น, นุนครองอันตรวาศถือบาทและจีวร เข้าไปบินทบาตในกรุงราชครึกพระเทวทัตพบท่านพระอานนท์กําลังเที่ยวบินธบาตจึงเข้าไปหาครั้นแล้วได้กล่าวกับพระอานนท์ดังนี้ว่าท่านพระอานนท์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะทําอุโบสถจะทําสังฆกรรมแยกจากพระผู้มีพระภาคแยกจากภิกษุสง์ ครั้นพระอณนณุเที่ยวบินทบาทฉันเสร็จแล้วกลับจากบินทบาทหลังจากฉันพัฒหารแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณนาที่สมควรได้กราบทูลดังนี้ว่าพระองค์ผู้เจริญขอประธานวโรกาสในเวลาเช้าข้าพระองค์ ครองอันตรวาสศกถือบาทและจีวรเข้าไปบินทบาทในกรุงราชครืพระเทวทัตพบข้าพระองค์กําลังเที่ยวบินทบาทจึงเข้ามาหาข่าพระองค์ครั้นแล้วได้กล่าวดังนี้ว่าท่านอานนท์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะทำอุโบสถจะทำสังฆกรรมแยกจากพระผู้มีพระภาคแยกจากภิกษุสงฆ์ วันนี้พระเทวทัตจะทําลายสงพระพุทธเจ้าค่ะครั้นพระผู้มีพระภาคเมื่อทรงทราบเรื่องนั้นจึงทรงเปล่งพระอุทานในเวลานั้นว่ากรรมดีคนดีทําได้ง่ายกรรมดีคนชั่วทําได้ยากกรรมชั่วคนชั่วทําได้ง่าย กรรมชั่วพระอริยทั้งหลายทําได้ยากทุกติยพาณวานจบ